พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่สิบสามพระสูตรที่ยี่สิบปดสมณะมุณะทิกสูตรสูตรว่าด้วยปริพาชกผู้เป็นบุตรแห่งนางสมณะผู้โกนผมพระผู้มีพระภาคประทับณเชตวนารามปริพาชกชื่ออุคคาหมานะในที่นี้เป็นฉายาที่แปลว่าผู้เรียนเก่งจากปกติชื่อว่าสุมาณะ ผู้เป็นบุตรแห่งนางสมณะผู้โกนผมอาศัยอยู่ในมัลลิการามพร้อมด้วยบริษัทปริพพาชกประมาณห้าร้อยช่งางไม้ชื่อปัญจังคะไปยังมัลลิการามสนทนาปราศัยกันอุคฮาหมานะปริพพาชกกล่าวว่าตนบัญญัติบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมะสี่อย่างว่าเป็นสมณะสมบูรณ์ด้วยกุศลมีกุศลยอดเยี่ยมบรรลุความเป็นเลิศ ไม่มีใครรบชนะได้คือหนึ่งไม่ทำกรรมชั่วทางกายสองไม่ทำกรรมชั่วทางวาจาสามไม่ทำกรรมชั่วทางใจสไม่ประกอบอาชีพชั่วช่างไม้ชื่อปันจังคะได้ฟังก็นำมาเล่าถวายให้พระผู้มีพระภาคทรงทราบทุกประการ ตรัสตอบว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นเด็กเล็กๆที่ยังนอนหงายในเบาะก็จะเป็นสมณะสมบูรณ์ด้วยกุศลเป็นต้นตามคำของปริพาชคนั้นเพราะเด็กนั้นทําความชั่วสี่อย่างนั้นไม่ได้นอกจากดิ้นรนทางกายร้องไห้คือทางวาจาแสดงการชอบหรือไม่ชอบเป็นทางใจและนอกจากดื่มนมมารดาก็คือทางอาชีพ จึงเป็นอันยังไม่ทรงรับรองถ้อยคำของปริพาชกผู้นั้นตรัสแสดงธรรมสิบประการที่ทำให้เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยกุศลเป็นต้นคือหนึ่งควรรู้ศีลอันเป็นอกุศลพร้อมทั้งรู้สมุทฐานความรู้ความดับควรรู้ว่าปฏิบัติอย่างนี้ชื่อว่าปฏิบัติเพื่อดับศีลอันเป็นอกุศล 2. ควรรู้ศีลอันเป็นกุศลควรรู้สมุดฐานควรรู้ความดับควรรู้ว่าปฏิบัติอย่างนี้ชื่อว่าปฏิบัติเพื่อดับศีลอันเป็นกุศลสควรรู้ความดำริทั้งฝ่ายอากุศลและฝ่ายกุศลเช่นเดียวกับศีลครั้นแล้วแจกรายละเอียดออกไปว่าจิตเป็นสมุดฐานของศีล สัญญาหรือความจำเป็นสมุดฐานของความดำริความดับแห่งศีลที่เป็นอกุศลคือเว้นทุจริตทางกายวาจาใจเว้นอาชีพที่ผิดสำเร็จชีวิตด้วยอาชีพที่ชอบความดับแห่งศีลที่เป็นกุศลคือรู้เจโตวิมุตตปัญญาวิมุตตตามเป็นจริงความดับแห่งความดำริอันเป็นอกุศลคือเข้าฌานที่หนึ่ง ความดับแห่งความดำริอันเป็นกุศลคือเข้าฌานที่สองปฏิบัติเพื่อดับศีลอันเป็นอกุศลและกุศลก็คือตั้งความเพียรชอบสี่ประการหรือสมปทานปฏิบัติเพื่อดับความดำริอันเป็นอกุศลและกุศลก็คือตั้งความเพียรชอบสี่ประการเช่นเดียวกัน ครั้นแล้วทรงแสดงธรรมะสิบประการที่ทรงบัญญัติว่าสมบูรณ์ด้วยกุศลเป็นต้นจนถึงอันใครรบชนะไม่ได้คือภิกษุประกอบด้วยมัสมีองค์แปดและสัมมาญาณะคือญาณเห็นชอบและสัมมาวิมุตติคือความหลุดพ้นชอบอันเป็นของพระอสขะคือพระอรหัน